ทังทำกันเพื่อเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติเราได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ฟังจึงเรียกว่าส่วนประกอบฟังแล้วออกไปทำไม่ใช่ฟังแล้วคิดฟังแล้วไปทำนู เวลานี้เรามาเรียนให้เห็นไม่ใช่เรียนให้รู้การเรียนให้รู้ต้องเอาตาไปดูเอาปากไปท่องบนเหมือนเรียนหนังสือก็ไข่ขอไข้เอบถ้าจะเรียนหนังสือก็เรียนเหมือนกันหมดตามอักขระแพนชนะของภาษานั้ น, น, น นี่เรามาเรียนกรรมฐานไม่เช่ท่องบนกอไก่ก็คือการเอากายนี่แหละเป็นตำลาเอาใจนี่แหละเป็นตำลาอยู่ในตัวเรานี้สติเป็นการศึกษาเป็นนักศึกษาเป็นผู้ศึกษาเหมือนตา แต่มันเป็นตาภายในให้เห็นให้เห็นไม่ใช่รู้การรู้ก็เป็นการรู้เห็นพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นไม่มีความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนเมื่อใดเปิดตาําราให้ ด, ดูเรีอนลงไปที่กายมันมีสูตรอยู่ สองกายเอาดุนด้นดุค้นค้อนนี่แหละมาศึกษาหหมาให้มันเห็นเห็นกายให้มันชํานาญให้เห็นกายอย่าเป็นกายไม่แสดงให้เราเห็นถ้ามีการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษากายไม่แสดง ใ, ให้เราเป็นเป็นไปตามกาย ถ้านั่นเรียกว่าคนไม่รู้โอ้ที่รู้เห็นในสติมีการศึกษาต้องพบเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นมันเคลื่อนไหวนอกจากกายมันเคลื่อนไหวแล้วมันมีอะไรอยู่นี้ที่กับกายนี้อีกหลายอย่างเป็นเวทนาเป็นโศกเป็นทุกข์ก็เห็นได้เป็นถ้าเป็นเรียกว่าเราไม่รู้ไม่เห็น เข้าไปเป็นแ่้วว่าคนไม่รู้ผู้ที่รู้เห็นต้องเห็นเห็นเวทนาที่มันสุขันทุกข์เกิดกับกายแต่มันจะจบไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเห็นกายที่มันแสดงมันมีอาการเกิดขึ้นกับกายนีเหน็ดเหนื่อยเมื่อไห่มีหิวมีร้อนมีหนาวมีปวดมี สุขมีทุกข์อะไรต่างๆมันมีอาการที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายหลายอย่างนี้ถ้าเราเป็นหรือว่าเรียนไม่จบยังเป็นยังเป็นธาตุของการเป็นผู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายออกกายมาเป็นสุขเป็นทุกข์ออกกายมาเป็นสิ่งผิดสิ่งถูก อัน น, น้ยกว่ายังอ่านไม่ออกก็ไม่ชำนาญถ้าเราเรียนแล้วเห็นแล้วจะไม่เป็นไปกับการต่างๆไม่ได้เห็นเห็นแล้วก็ตอบลงไปกายสวากายไม่ใช so ่สัตตุบคติโตตนเราเขาอันที่พูดว่ากายสวากายไม่ใช so ่จัตตุบคติโตตนเราเขานี่ไม่ใช่วาจาไม่ใช่ปากมันพูด มันเป็นปัญญาเสียแล้วมันเห็นแล้วมันจึงพูดออกมาจึงคิดออกมาจึงทําความเห็นแก่แฉมแ้งแ่้งแล้วในกายจากว่ากายไม่ใช่จัดอุกคนโตตนเราเขาอ่ น, นผ่านไปแล้วล่วนชั่นไปแล้วผ่านจากกายไปแล้วไม่เอากายมาเป็นจบเป็นทุกข์ ถ้าเป็นอาการเกิดเท้นกับกายก็เห็นเป็นอาการไอ้ใช่เราปวดเราล้นเราหนาวเราเหิวถ้าเรายังไม่อยู่ในกายอันนั้นเรียกว่ายังเป็นการบ้านไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายก็เห็นเป็นอาการของกายไม่ใช่เป็นผู้เป็นเห็นมันแสดงออก กนาการของเขาตามความเป็นจริงเราก็ที่เรียกว่าเวทนานะเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นอ่ะก็เห็นสักแต่ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเหาเขาอย่าเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนถ้าเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนเอากายมาเป็นตัวเป็นตนกายก็มีทั้งสองชั้นเวทนาก็มีสองชั้น กายในกายเวทนาในเวทนานอกจากนั้นก็มีอุปทานเข้าไปยึดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสุขเราทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขาดหลังห้านี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะมีอุปทานไปยึดเอากายเอาเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก็เห็นเป็นอาการธรรมชาติมันได้ปัญญา นัเกปัญญากายสว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจะว่าเวทนาอม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเหนปัญญามันไปอย่างนี้ปัญญามันรอบรู้ในกองกายของกองสังขารคือกายนี้ไม่ใช่ปัญญาไปขบไปคิดแตกฉานรู้โลกไปจนเห็นอะไรต่างๆ น, นั่นก็เป็นปัญญาแบบ หนไม่ใช่ปัญญาการตัดสู้ดูเคยเห็นจิตมันก็เห็นมาละจิตเนี่ยมันไม่หลบไปรีดอกมันโง่โงมันคิดจิตคือมันคิดความคิดที่เกิดจากจิตมันไม่ใช่จิตธรรมดามันเป็นการเที่ยนไปจากจิตเดิมๆมันคิดความคิดนี่ได้ตั้งใจก็มีตั้งใจคิด ความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจน่ะนั่นรู้ว่ความคิดจิตที่มันไม่ได้คิดนั่นมันเป็นจิตปกติอยู่ถ้าเกิดความคิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆโดยจากกายเกิดจากเอちなะมันก็ไปหาความคิดมันก็มีความพอใจไม่พอใจมีความผิดความถูกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไปถึงกับจิตอีกก็มีสองต่อ ทุกอยู่กับกายเป็นทุกธรรมชาติทุกสมันลักษณะถ้าไม่มีอุปทานไม่ถือว่าเป็นทุกเป็นปัญญาได้ถ้ามีอุปทานก็ไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นทุกสองต่อไปแล้วคือจิตก็ทุกกายก็ทุกก็จิตก็อุปทานเมื่อไนยึดว่าความสุขความทุกข์ความผิดความถูกไปเอาผิดเอาถูก แล้วก็ไปโ อ, อชอบโ อ, อไม่ชอบเข้าไปอีกก็เลยหลายๆชั้นต่าไปเราจึงเห็นนาะจิตที่มันไม่ตั้งใจนะั่นเอาต้องรู้ทันทีอย่าปล่อยให้มันเป็เฉลอะเราจะสอนจิตเดนี้เรามาสอนจิตนี่แต่ตัวลูกเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าให้มันเปเฉลอะเกินไปมาเราฝึก ววเฝืกควายเผื ก, เผกช้างฝึกมา้าเราปล่อยให้มันอิจฉะตามธรรมชาติของมันก็ใช่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันแต่ก่อนมันจิตที่บริสุทธิ์ก็ใช่มันเลอะ เ, ะเะทอ ะ, ะ, ะไปก็เปิดเพื่อนได้เหมือนมีดมีดเนี่ยมีดทานผักมีดที่บริสุทธิ์แล้วเราไปปันที่ไม่ใช่ผักไม่สำหรับผันผักก็ไว้สําหรับผันผัก ถ้าไปฟันในสิ่งที่ไม่ถูกปรมัาณสัจจะของมีดหันผักมันก็ผิดปรมัตจะไม่เป็นมันก็ใช่มาได้เสียความเป็นมีดได้มีดโกนที่มันเป็นคมโกนผมได้เอาไปหันผักมันก็มาใช่อีกละมันผิดปรมาณัจจะของมีดสมมุติปัญญัติเอาไว้หันผะเอาไว้โกนผมแม้นว่ามันคมหรือไปฟันต้นไม้อย่างนี้มันก็มาใช่ ก็เสียความเป็นมีดไปจิตของเราที่เป็นจิตต้นเดิมว่าเป็นกิตที่มันเปื้อนเพื่อนไปหลายอย่างจนเป็นปัจเจัยนิสัยทําให้เกิดจลิตนิสัยต่างๆไปหละะังค่ะจลิตโทสะจริต โ, โมหะจริตไปตามที่เราไม่ระวัตระวังเราจึงเห็นเอ้จิตที่ไม่ตั้งใจคิดนั่นลู่ทันทีสอนวันที ถูกสอนทุกข้างโูกเขาที่มันหลงคิดไปให้มีตัวรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องก็มันหลงที่ใดรู้ก็มันหลงที่ใดรู้ผมหลงหมดแหละมันจะเป็นการบทเรียนที่ทำให้เกิดความรู้เอาอย่างนี้การศึกษาถ้าหลงออกไปในความหลงไม่ความรู้ในความสุขไม่ความรู้ในความทุกข์ไม่ความรู้เข้าไปเลยอย่างนี้ แรือ ว, ว่าศึกษาศึกษาคือถลุงเหมือนเขาถลุงแร่เต็นก้อนหินมาถลุงจนไตเนื้อเหล็กเต้อทองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดุนเป็นก้อนในความสุขก็เป็นสุขไปเลยในความทุกข์เป็นทุกข์ไปเลยปัดนี้ในความสุขมันก็มีความรู้ความทุกข์ก็มีความรู้ว่าหลงที่ยิตก็รู้ที่จิตจนถึงบ ที่น้าเลยไหวจิตสว่จิตไม่ใช่จัดผูกคนโตตนเล่าเขาเรามโศกขก็หัวล้อเรามทุกคนลองให้การลองให้การหรัวล้ะเนี่ยเท่าเท่ากันมันเป็นสังขารเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเหน่อยเหมือนกันเพราะนั่นจึงเห็นสว่างจิตไม่ใช่จัดผูกคนโตตนเลาเขาอย่างเนี้ยเป็นโสดไปอย่างเนี้ยทุกคนปฏิเททสธโสดนี่ไม่ได้เหมือนกันหมด เจงกันนะหนมาเรียนเรื่องธรรมะอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ใช่เอาเพศเอาไวเอาวิชาความรู้มันสงองอะไรมาเกี่ยวมีการกระทาเหมือนกันหมดเจงด้วว่ากรรมฐานในที่สุดก็ทำทาคือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นความสุขความทุกข์นั่นแหละของงองอหอยนอนความสงบบ้าง ความฟุ้งซ่านบ้างการมองเลย์สงใจบ้างกามลาคะบ้างปฏิฆะบ้างปฏิบัติบ้างมันเกิดขึ้นมาอันุวัติธรรมธรรมที่เป็นกุศลมันสงบมันสบยายทำใหเป็นอกุศลมันฟุ้งซ่น อ, งนอนมันเศ้าหมองนั่นมาเกิดกับตัวของผู้ปฏิบัติ มีความรู้มีความหลงอยากให้มันรู้มาอยากให้มันหลงอารมณ์บวกลบเข้าไปถ้าความรู้พอใจแล้วความหลงไม่พอใจนันเรียว่าธรรมอย่าเอาความรู้ความหลงมาเป็นสิ่งพอใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวเรื่อยไปจนเห็นว่าธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่จัดบคุคคลตัวตนเรเขาสูดเนี่ย มันจบ เ, เป็นเห็นทีอะไรก็อตอบอย่างเดียวนี้มีสติเข้าไปตสติจะเป็นตัวตอบตัวขี้แจ้งตัวถลุงเป็นนักศึกษาแล้วสติเป็นนักศึกษาแล้ววันเราเป็นนักศึกษาเรียนรู้เหมือนเช่นนักเรียนนัเรียนต้องเรียนเมืองต้นพอทาอะไรลงไปอย่าไปคิดไกลถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นเด็ก สอนไงก็เที่อฟังแต่เราไม่ได้เป็นเด็กแล้วจะให้เราไปเรียนก็อีกเราก็ไม่ต้องเรียนแล้วเราอ่านได้แล้วชำนาญแล้วรู้ภาษาแล้วใช้ภาษาเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่านักศึกษาพอเห็นก็เห็นเวทนาเห็นกิเห็นทำเห็นแล้วเห็นดีขเห็นแล้วอีกรู้แล้รู้อีกรู้เรื่องนี้ จำนานมากจำนานในกายจำนาญในเวทนาจำนานในจิตจำนาญในธรรมเพราะมันแสดงมันมาแสดงแบบโง่ๆเจก่อนเราไม่โ ง, ง่ตจก่อนเรโง่โง่ไปกับเขาเขาก็โง่เราก็โง่โง่สองต่อความหลงก็าจะไม่หลงโง่ในความหลงก็มีความโง่เราก็โ ง, ง่ไปกับความหลงคนอื่นหลง ก็ทำให้เราหลงไปด้วยคนเดืนโกรธเพราะทให้เราโกรธไปด้วยแต่ก่อน่ะแบบนี้เราไม่งงมันนะเราไม่หลงเหมือนเขาถ้าเขาโกรธเราก็มีปัญญาเหมือนเรามีความรู้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยต่างๆคนหนึ่งโกรธเราก็รู้คนเขาหลงเราก็รู้ เอาความโกรธของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราเอาความหลงของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราเอาความทุกข์ความสุขของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราแต่ก่อนเราไปกับเขาหมดอู้ไดโกรธก่อนเราโกรธทีห่หลังวันที่เราโกรธที่หลังก็มีโกรธไปกับเขาเช่นเขาบ้าด่าเราเขามาด่าเราเราก็ไม่ผิดไม่เหมือนที่เขาด่าเราก็โกรธเขา มันเป็นอย่างนั้นก็เราเรียนชำนาญเรื่องนี้ขึ้นบ้างก็เห็นที่เขาด่าเราแล้วก็มองเราไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับตัวเราคนอื่นไม่รู้ตัวเราเพราะว่าเราผิดเราก็มองตัวเราถ้าเราไม่ผิดเราก็มองคนที่ด่ามันไม่ถูกคนก็ไม่รู้มองแบบเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เป็นคนที่ ที่น่าสงสารแป็นที่เราจะโกรธเราก็เลยไม่โกรธแต่มองนในแง่ดีก็เขาเขาก็บอกเรานาะเป็นกระจกทำให้เราดูตัวเองแล้วก็ไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะไปพูดคนที่โกรธอยู่มันก็ไม่มีเหตุผลพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็มีปัญญาเกี่ยวข้ อ, ของกับคนโกรธเป็นได้ปัญญาอีกแล้วไม่งู อันนี้มันก็เปลี่ยนไปอย่างเนี้ยอะไรที่อยู่กับคนอื่นอะไรที่อยู่กับสิ่งเงินแล้วก็ช่างให้เราทําให้เรามีความรู้พอไร่บทเรียนแล้วกายเวทนาจิตธรรมเราเคยหลงเหมือนเขาเราเคยโกรธเหมือนเขาเราเคยทุกข์เหมือนเขาทําไมเราจะไม่รู้จักความโกรธก็เหมือนกันหมดความทุกข์ก็เหมือนกันหมดความสุขก็เหมือนกันหมดแต่จะใครจะหลงสมมติปัญญาตุลาทานของใครของงัน เราก็เห็นมาแล้วตั้งแต่หลักสูตรเบื้องต้นกายเวทนาจิตธรรมแต่ก่อนเอากายเป็นุกเอากายเป็นทุกข์เอาเวทนามปเป็นุกเอาเวทนามาเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิตมาเป็นทุกข์เอาธรรมมาเป็นความชอบเอาธรรมมาเป็นความไม่ชอบเราก็ไม่แต่ฉานตรงนี้พอลรเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็อีกมันจะแดงให้เราเห็นอยู่เลยเรื่อย แล้วก็เห็นของเก่าลูกของเก่าว่าชํานาญจนเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่เป็นกายก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นธรรมก็ดีมันก็ย่อให้เราลงอีกว่าเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเมื่อย่อตรงรูปเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วรูปนามมก็บอกเราแต่ฉางเอาอีกเหมือนเราย่อ ภาษากวดวิชาเรียนย่อๆแต่มันจบไปหลายอย่างเรื่ากวดวิชาพอเห็นรูปเป็นนาเนี่ยต้องเห็นเป็นนี้นะที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่มันคืออะไรมันเป็นรูปไม่ใช่กายแล้วเปล่าเนี่ยถ้าเห็นเป็นกายมันก็เป็นดุ่นเป็นข้อนมันจนง่ายถ้าเห็นเป็นกายมันจนง่ายถ้าเห็นเป็นรูปเนี่ยมันไม่จน เขาก็ามองไปว่ารูปมันเป็นอย่างนีน้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครป้องกันมันได้รูปเนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้ไม่มีใครที่จะเก่งกว่ารูปมันเป็นไปตามมันแต่ห้ามจะกขวงจะกั้นไะไรมันไม่ได้ไม่อยากให้มันหิว <c oughs> มันก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันร้อนมันก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันหนาวมันก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตาม อาการธรรมชาติของเขาเช่นเราหิวเนี่ยแต่ก็เราเป็นทุกข์เพราะความหิวก็เป็นสุขเพราะความอิ่มที่จริงมันเป็นธรรมชาติของลูกตอนความหิวไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยเป็นความภผงผยองซาเลยทีเดียวเวลามาหิวน่ะออกคนความหิว อายุเจ็ดสิบปีเรายังหิวข้าวตัวนี้ก็หิวหวหน่อยหนึ่งอยู <c> ่ <oughs> มันเดินทางไกลตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงขาดแคลนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมันเนื่องด้วยอาหารชีวิตเรานะถ้ามันไม่รู้จะขิวอนะ่ะเหมือนเราปุ๋ยสี่เก้าห้าชนเนี่ยไม่รู้จะขิวเลยก็น้าหนักเกิดเจ็บมันไม่รู้จะขิวกรถหลงรถหลงเหลือห้าสิบกิโลเลย ตายได้นอนไม่หิวหยู่ะหมไอหิวไปทุกทำไมไม่เช่นลังทุกเลยเป็นปัญญาแล้วขอบคนกวามหิวบางทีคนหิวเข้าเป็นศึกสงครามได้เพราะความหิวก็ขึ้นใจเปาะบางเห็นเป็นรูกงูรูปมันหิวเป็นมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นมันปวดเั้งเมื่อยเป็นนั่งนานก็ปวดก็ม้อย ยืนนานก็ปวดก็ม้วยนั่งนานก็ปวดก็ม้วยเดินนานก็ปวดก็ม้วยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนรูปเดีมันก็ใช่ตามธรรมชาติของเขาเห็นเป็นรูปเป็นนามนามมาก็ะรูดจะกระไรได้ยกมือนี่ก็มีรูปมีนามถ้าทุ่เสาเนี่ยมันบอกมันไม่ได้ให้มันยกมันไม่ไม่มีนามมาทํา้อนีกก้เห็นไม่มีนามมาทําแต่มันก็ตกอยู่ในความ่เที่ยง ถูกสิ่งที่ข้องงำอยู่ไม่มีใครเป็นใหญ่อะไรในโลกนี่ตกอยู่ในความเม่แท่งตร้หนักแต่ก่อนง่ายตนนัวนี้เราทําเองเวลาหลังนี้เราทําเองมันก็ชุดโซมลงเลยเปลี่ยนมาสองสามครัง้งเราแต่ก่อนอยู่โน่นก็ตีเบอร์แปดโน่นย่อยลงมานี้นเนี่ยลงมเนี่ยเปลี่ยนไปอีกตหลังคาใหม่การุ่มตำกลงางใหม่ ซ่มแซมอยู่เลยอันนี้ยังซ่อมแซมน่ะอันรูปของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ซ่อมจะให้มันดีเหมือนตามเดิมไม่ได้เหมือนไหม้ไม้มันก็ยังดีได้แต่ไหม้ก็ยังมีลียุมันกันอย่างน้องตานี่ก็่อนก็หนุ่มกว่านี้ใหมันหนุ่มเหมือนเดิมไม่ได้อันรูปเนี่ยใครใครก็เสมอกันหมดไม่มีอะไรใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน ไม่มีผู้ยิงใหญ่ไม่มีผู้ต่อท่านโยงบระิ้งในสิ่งนักปลงบปนี่รูปเป็นอย่างไรทำไมเป็นทุกข์เพราะรูปเจ็บปวดเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะรูปเพราะเห็นเป็นรูปแต่ก่อนเห็นเป็นกายจนง่ายถ้าเห็นเป็นรูปแต่ฉานนะไม่ทุกข์เพราะรูปเห็นเป็นรูปเป็นน้ำน้ำก็คือรวมรูปเลยได้ เหมืนอยู่ด้วยกันโยเขามามีตนนี่ใครก็ในโลกนี่ที่เป็นมนุษย์เกิดในโลกนี้เหมือนกันหมดมีแต่รูปกรรมนามไม่มีใครแตกต่างกันรูปนามเท่าเทียมกับเกิดเจ็บเจบตายใ้เที่ยงเวนทุ ก, ถ, ก, ทกถูกความทุกข์่างเอาแล้วถูกความทุกข์ข้องงำแล้วต้องเป็นความทุกข์ข้องงำถูกความทุกข์่างเอาแล้ว ทำจะไหนยการทําที่สุดแห่งกองทุกนี่จะปรากฏชแค่เราเราจึงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้มาให้มันทุกความเจ็บเป็นทุกหรือไม่ทุกความเจ็บเป็นทุกหรือไม่ทุกความตายเป็นทุกหรือไม่ทุกความร้อนความหนาวเป็นทุกหรือไม่ทุกสิ่งเหล่านี้ทําได้แน่นอนเราจะไปทุกทำไมเออแต่ก่อนเราไม่รู้พอรู้เรื่องมันเห็นเห็นแล้วไม่เป็น ไม่เป็นอะไรกับบลาเช่นความทุกข์ของรูปมันก็เป็นสภาวะทุกข์อะไรที่มันเป็นสภาวะทุกข์หายใจเข้าหายใจออกคลิปตาคือน้ําลายชีวิตประจําวันเป็นสภาวาทาทะทุกข์อาการตุกตะทุกทุกย้อนมาเป็นข้างเป็นข่าวปวดหนักปวดเบาไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นอาคันตุกะของทุกข์มันก็มีอีกแบบหนึ่งนิดเสื่ทุกข์ทุกหน่งนิด ไม่เที่ยงไหลเรื่อยนั่งอยู่นี้ก็ไม่เทีย่ยงเนี่นิจสนทุกไหลไปไหลไปสันตติเกิดขึ้นทันตะเลหไหลไปไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแก่วันนี้ก็แก่ไปชั่วโมงนี้แก่ไปแก่ไปมันค่อยๆไปไปไ ป, ไ ป, ไปนิจสันทุกมืนไปเข้ามันไปเข้ามันไม่ใช่ออกมาเป็นอุปทานแบบนี้ทุกทุกที่เป็นทุกของอริสัจ อันนี้ทุกข์เพราะเหตุเช่นความโกรธความโลภความหลงความวิตกความวุ่นหมองนี่เป็นทุกข์อริสัตอริสัตเนี่ยทุกข์นเนี่ยถือว่าเป็นทุกข์ที่เด็ดขาดไม่ต้องทุกข์เอยอันทุกข์เพราะคันดุกทุกข์ทุกข์เพราะต้องกินต้องขับต้องถ่ายอันนี้ไปเสียไมาได้เป็นทุกข์สภาวะทุกข์ตามธรรมชาติเจ็บไข้หรือป่วยเจริญเจ็บตายเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติ ไม่แช่มาเป็นทุกทุกวันนี้เป็นทุกที่บรรเทามันหิวก็กินข้าวบรรเทาไม่ใช่แค่แค่ไม่ได้มันหนาวก็ห่มผ้าอ่านี่ไม่ใช่แช่บรรเทาหยุดไข้ด็ป่วยบรรเทารักษาอ่าบางอย่างโครคไข้แค่เจ็บโรคบางอย่างรักษาได้ที่เป็นรูปโรคอันนั้นเขาเรียกว่ารูปโรค ไม่ใช่รูปธรรมดามันเป็นโรคหัวน้องตาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราว่ารูปโรคโรคของรูปเพราะนั้นหมอนั่งอยู่เนี่ยช่วยได้โรคอะไรนะโรคที่เกิดความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้ราต้องช่วยตัวเองเพาว่าแม่จะช่วยลูกก็ไม่ได้ลูกจะช่วยพ่อช่วยแม่ก็ไม่ได้ ต้องช่วยตัวเองอย่างที่มาเนี่ยต้องมาด้วยตนเองอาศัยตัวเองอตัวไข่ตัวมันไอหลงคนนั้นก็ต้องเปลี่ยนความหลงความรู้เองเปลี่ยนเองกันไม่ได้หลงตาหนูหลงแล้วมาช่วยด้วยไม่ได้หลงตาหนูทุกมาช่วยด้วยก็ไม่ได้เรียกร้องใครไม่ได้การความทุกข์ความหลงความโกรธเนี่ยต้องตัวของไ ข, ข่ตัวมัน นี่ยเรามาทำอย่างนี้เรามันหลงเห็นไหมนั่งจมมือสร้างจาัาจางหวะจมเอาควนมคิดไปถึงที่ไหนล่ะเผื่อละทุ่งพวงเลยก็กลับมาโอ้เห็นไหมเห็นมันหลงไหมวันใดคิดว่าจะคิดไปเลยมันคิดไปก็กลับมาลู่สอนแล้วมันหลงไปอีกลูก่สอนตัวเองแล้วดีไหมดีดีกันสอนตัวเองอย่างเนี้ย ไ่ใช่ไปเบื่อหนนะเออให้มหลงลงไปสนุกลู้เอาความหลงมาเป็นความสนุกเอามันทุกข์ออกมาเป็นความรู้สนุกลู้เห็นวันอย่างเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเปลี่ยนลายเป็นดีเปียนพี่เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เฮ้ยเปลี่ยนเป็นถูกรู้นี่แหละรู้อย่างเดียวเอาไปก่อนอย่าเอาเหตุเอาผลทําไมจึงหลง ทำไมจึงทุกข์ทำไมจึงไม่สงบทำไมจึงพุ่งสร้างทำไมไม่รู้สึกตัวอย่าไปทำไมทำไมทำไหมคำ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมทำไ ม, ทำไมไม่มีนี่แต่ยิ้มยิ้มไปเลยมันทุกข์ก็เห็นยิ้มยิ้มมันสุข ก, ก็เห็นยิ้มยิ้มหัวเราะตัวเองถ้าใครรู้จักหัวเราะตัวเองได้ล่ะดีมากในหัวเราะแต่จึงอื่นใช่ไม่ได้หัวเราะความทุกข์ได้เหมือนกันนะ หัวลอกของปวดได้เหมือนกันบ้าเอ้ยถ้ามันไม่ปวดมันก็ไม่เช่อโลกตะขาบมันกัดถ้ามันไม่ปวดมันก็ไม่ใช่โลกโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรประยุทธ์ว่าตัวเราของเรา ผมปวดตะขามมันกักับเบาลงเบาลงเบาลงตะขามมันกันมันจะปวดตุ๊บตุ๊ดังขึ้นคนจะร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเรามาลูกเจตัวดีร้ อ, องเพลงบาเลยเวลามันปวดร้องเพลงแข่งกับควมปวดเนาะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวต้นสิไหนเป็นทุกสิ่นนั้นมันไม่เที่ยงสิไหนไม่เที่ยงสิ่นนั้ไน ไ, นไนม่ใช่ตัวต้น สิงไหนไม่ใช่ตัวตนจึงนั้นไม่ควรยึดว่าเราว่าตัวของเรานี่คือตัวรู้มันก็แต่แขานไปนะ่ะรูปรูปมันบอกรูปมันสอนเรามันก็บอกนี่คือความไม่เที่ยงนะนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นหน้าที่ของรูปมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยน้ำคือมันรู้อะไรได้ ยงกันว่าลูกมันเจ็บนี่เป็นนามมาทำมีกายมีความเจ็บลูกก็โลแตกฉานอะไ้ก็เห็นคก็หิวเป็นเรื่องของกายไม่ใช่ทุกใจถ้ามันเจ็บปวดที่กายก็เป็นเรื่องของกายอย่าใจอย่าไปเจ็บไปปวดแยกออกว่านามอย่าเอากายไปขวงขั้นนาม จะให้กลายเป็นใหญ่กว่านา้ำน้ำนั้นต้องไม่เป็นอะไรเห็น น, นเนี่ยรูกเป็นมันยาว่วานามมารูปเอาน้ำทำรูปทุกน้มทุกรูปลกน้โลกมันมีมันมีอยู่ในกองรูปของน้ำนี่แหละเหมือนกันหมดรูปทุกก็เหมือนกันหมด ต้องพิบูตาหายใจเกินน้ำลายต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องอะไรหลายห ล, ยหลยอย่างอันนี้เราเท่าเทียมกันหมดส่วนนามมาทำนั่นถ้าเราไม่ลูบลูบเรื่องนามม่ไม่ลูบจักแกยกแย้งถ้าไม่เห็นลูบเห็นนามตามความเป็ น, น, นปจริงอะ่ะมันจะแยกออกก็เจ็บก็เจ็บที่ถ้าปวดท้องมันก็เป็นลูบใจมันต้องเดือดร้อน เห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดมันก็ต้องมีโรคเป็นหลงตาปวดท้องเป็นมะเร็งมะเร็งนะ่ะมันลามไปถึงตับอ่อนเป็นก็เนื้อตับอ่อนปวดท้องอย่างหนักเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดอันปวดท้องเป็นลูกอันนำ ม, มาทำให้ต้องทุกข์เพราะการปวด มันมีปัญญาด้วยในเวลามันปวดเห็นของเิ่งที่มันแสดงออกในรูปแท้ๆโอ้โอ้โอโอไปตรวจสองกล้องหมอไปตรวจสองกล้องเอาอยาชาให้กอกปากลงไปใครบ้างาเคยกินยาชานไหมชี้น้อยเคยกินไหมยาชาน้ำยาชาเหมือนเขา จะมาทาแผลไหนก็ า, า่าตัดไหนมาด้วยจะเก็บอันนี้มันเป็นแผลอันนี้มันปากไม่มีลิ้นพอกินยาชาลงไปหนูโอ้ยรสชาติเจเี่ยมเลยเ้วก็มองว่าโอ้ยสมน้ำหน้ามันน่ารูปเอ้ยไม่ได้ทุกเลยมันมีลิ้นมันมีรสต่อนี่เป็นยาชาไม่ใช่อาหารนะ นี่แหละรูปเป็นอย่างนี้ทำไมมันเจ็บมันปวดก็ต้องทำแบงนี้การช่วยเหลือรูปต้องทำอย่างนี้อันดีก็ต้องหาตัดเบะออกเป็นชิน้นเป็นชิ้นก็ไมมาต่อเอาใหมา่นี่รูปมันเป็นอย่างนี้ช่วยรูปก็ต้องช่วยอย่างนี้อันนี้นสาษาอะไรเขาเอาน้ำยาชามากอกปากมันก็ดีแล้วรูปเอ้ยใจไม่ทุกข์อลย หัวเลาะรูปมอฉมหนมาวังแล้วลูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ ก, ก็สองกล้องเขาบ่อยก็ยังแค่ไม่ได้มาตัดเอาก้อนเนื้อในลําคอเนี่ยตัดไปพิสูจน์อีกก็พิสูจน์ได้เขาว่ามะเร็งน้ําเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วโจดับอ่อนปวดทรวงเส้นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวด เวทนาไม่ใช่ตัวชีวิตมนแต่แขนมันแต่เห็นกายเห็นเวทนาเนี่ยเวทนาคือการปวดนี่ยมาใช่เราเป็นผู้ปวดเห็นมันปวดมันแยกไปแยกไปถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เฉพาะลูกไปตามไม่เป็นทุกข์เหมือนถูกลูกศรลูกเดียวถูกแต่เพราะลูกไม่ถูกที่ดามคือจิตใจ ถ้าคนไม่เคยฝึกหัดก็ถูกลงกายทั้งใจเจ็บกายเก็บใจด้วยหมดท่าเลยอยู่ในพบในภูมิทั้งหมดจนง่ายแต่เห็นรูปเห็นนามว่าไม่จนนะการปฏิบัตธรรมมันเป็นเรื่องของส่วนตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้โดยตรงเรื่องอื่นเป็นเรื่องปีกย่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วนทุกคนต้องมารับผิดชอบตัวเองให้ได้ มันจะเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นตรงนี้ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายจัดเดชานก็ยังไม่รู้รูปล้ดา้ำเนี่ยเนี่ยมันก็รู้อย่างเนี้ยแอนแจ้งไอ้รูปด้วยนามเป็นธรรมชาติของโลกรูปโลกดามโลกโลกทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติมันหลอยที่มันเห็นเนี่ยมันแต่ฉานไปสมมุติบัญญัติตรมัตทัจจะความหลงเป็นสมมุติบัญญัติ ก็ไม่หลงเป็นปรมาจิตจักความทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติเคยทุกข์เท่าไหร่มีจริงไห ม, ท, มทุกข์เคยสุขเท่าไหร่มีจริงไหมความสุขเอาความสุขมาให้ดูห่อนเอาความทุกข์มาให้ดูหน่อ ย, อ ม, ย, อยมันไม่มีมันเป็นสมมุติขึ้นมาอุปทานขึ้นมายึดไว้ยึดไว้เป็นข้างเป็นข้าวเวลามื่กอดก็ดากา่ากันข่ากันเวลาหายโกรธล้วก็อายตัวเองอายกันบางทีเลาะกันเวลามันโกรธด่ากาันได้ เวลาหายโกรธลรวเสียใจบางทีโกรธลงไปตีลูกตีลูกจนเห็นรอยมือห้านิ้วตีคนเนี่ยแดงแขวเลยอาทีเอาไม้เลียวมาเคียนจนเลือดซึมเลยเวลาหายโกรธเราสองสอนลูกเวลาลูกนอนเอยาบองไปตายแม่หลงตีนลงมือตีลูกเสียใจหากเนี่ย ผิดแล้วเพราะทำตามความโกรธทำตามความรักทำตามความจังอันนั้นไม่ใช่ชีวิตเราเลยสีเปรียบของโกรธสีเปรียกความรักความจังเหมือนกันหมดต่อเคยโกรธโกรธน้องชายตีน้องชายตกคันนาอะไรเมื่อต้อหมวนะน้องชายตกเกลียดขี้คนอยู่ดนบอเห็นน้องชายนั่งเกลียขี้คนอยู่ โดยความสงสารนาถโอ้ ย, ออยน้องชายกูเป็นเด็กนาะมันคงกลัวบอกมันให้ออกหวยผิดญ้ า, าไถนาเ น, น, นาะไถนาค่ํามันไม่ออกไปมันโจงวนอยู่เนี่ยหวย ก, ก็ไม่มีญ่า ย, ยินอะ่ะเราก็ห่วงแล้วกูว่าไถานามึงทำไมไม่เอาหวยผีดย่ า, ยยาคอยยา่ยาย่าแม่มห <laughs> ยั่งถึงททุกหัวน้องตาเป๊กเนี่ย สงสารแนะดับแขนน้องขึ้นมาน้องก็ร้องให้แต่ต่านั้นพูดไม่ออกเสียใจน้องก็หนีเข้าบ้านไปเลยไม่เอาควายเลยเราต้องให้ว่าจะปั้นกานาไม่ได้ปั้นกานาเต้องเอาควายไปเลี้ยงสมนาบุญบอกอว่านะก็ตีน้องเขาหอกลับบ้านเอาควายกลับบ้านไปแม่พูดคําแรกแล้ว啊 ให้เบื้องต่อหน้ากับเนี้ยนนี่กูจะ้าน้องกับบ้านเกา่าเอาไาจัดเิ้าของเน่ะเสียใจมากเลยไม่พูดจะคำเลยเเนียราตีน้องแม่เสียใจพ่อไม่มีครบหรัวกันจินเสียใจมาก เ, เสียเปรียบความโกรธมีไหมชิ้นหน่อยทําไมจะต้องรับใช่หมือนความทุกข์ความโกรธความโลบความหลง มาทำใจดีๆนะเห็นมันชัดเจนแล้วนะเป็นปัญญาของเราการศึกษาธรรมมันเป็นอย่างนี้นะมันพ้นจริงๆนะพ้นจากความโกรธความโลภความหลงพ้นจริงๆมันก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมีฤทธิ์มีเดชท่องเฮินนั่นว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้น มลู่ตัวเองจนเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้ไม่ทุกติณสังขันที่ชวศลานเวทนาเป็นทุกเวทนาไม่เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารเป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกวิญญาณเป็นทุกวิญญาณไม่ทุกพี่เห็นมันได้อย่างนี้เพราะอฏิบัติเคยเปลี่ยนแล้วถ้าคนไม่ศึกษาถูกความทุกข์คล้องงำแล้วถูกความทุกข์ยั่งเ่าแล้ว ตุกความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วแน่นอนที่สุดเลยก็เจอบเจ็บตาทุกคนต้องไปจุดนี้แน่นอนทําไมจะเมันครอบงำเราประสาวความทุกข์น่ะความโกรธน่ะมันมีขี่ช่างขี่ม้าถือวอัวมาใหม่มันไม่มีมันเกิดอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความไม่รู้ต้องหักตอเราหม่รู้จุดตัวน่าทำเท่านี้หอยเลาะในเบื้องต้น ลอยในทํากลางไฟเลาะในที่สุดขวามจัดจิเลศเศรษฐกิจจิเลศอย่างหยาสมาธิกําจจิเลอย่างกลางปัญญากิจจิเลอย่างละเอียดก็มีรู้อย่างนี้ก็ใจดีขั้วเก่ารู้ขัวเก่าพวกมันรู้รู้โดยเองเนะี่ยมันมีใจดีกั้วเก่ามัใช่ดีใจ ใจมันดีโอ้ใจดีนี่เป็นบุญตัวรู้นี่เป็นบุญรู้บุญรู้บาปบาปคือไม่รู้คือทุกบุญคือตัวรู้คือไม่ทุกโอ้บุญคือตัวนี้ศีลคือตัวนี้ก็บุญแล้วบาลูศาสนาศาสนาคือคำสอนหลางหลายแต่พุทธศาสานาจรรย์รู้ตรงนี้ตื่นจากทุกมาตัวพุทธพัฒรมพระสง เห็นทำอย่างนี้หรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าว่าจะเห็นพระเจ้าเดินมาอันนั้นเป็นนิมิตอย่าไปอย่าไปสนใจพระวางรูปเดินยางกลอยู่เห็นอันนั้นเป็นนิมิตวันที่มาบอกหองตาเป็นนิมิตอย่าไปหลงมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะไปเห็นอันเดื่ก็กลับมาผู้ใดเห็นทำผู้นั่นชื่อว่าเห็นปะดิสฉะบาศ มันหลงมันจึงทุกข์มันหลงมันจึงสุขมันหลงมันจึงโกรธมันหลงมันจึงพอใจเมื่อพอใจเหตุของมันอยู่ที่ความหลงต้นของความหลงอยู่ที่ความทุกข์กลางหลังเกิดอยู่ที่ตรงก่อนถ้าไม่หลงเหตุเกิดที่ใดก็ดับเท่านั้นมันจะได้ความรู้เพราะความหลงนั่นแ่ะมันจะได้ความรู้ความทุกข์นั่นแหละบทเรียนจากความหลงความทุกข์ไหนมีประโยชน์มากอย่างพระเจ้าสอนพวกเราผู้ใดเห็น กองไม่เที่ยงผู้นั่นถึงนิพพานได้ผู้ใดเห็นความมัทุกข์ผู้นั่นถึงนิพพานได้ผู้ใดเห็นความวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้นั่นถึงนิพพานได้สัพเพสังฆราอเิจาติญาธาปัญญาญาปัจจติอัถฐนิเป็นตาติตโตเกะเอสมโขวิสุตติยะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญ า, าสังขารทั้งกองไม่เที่ยง เมื่อน่นยอมหน่อยน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนพานอันเป็นธรรมหมดชนเอาความมาเที่ยงเป็นนิมพารานปูดูชนตรงความมาเที่ยงมาเป็นทุกข์ปูดุชนตรงความันทุกข์มันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเอาความันทุกข์มันเป็นเนปานเรียว่าปฏิบัติเปลี่ยนร้อยเป็นนีอย่างนี้เราก็หัดเปลี่ยนไปมันหลงรู้มันหลงรู้เรื่อยไปอย่างเนี้ย